เราต้องให้เวลานะสำหรับตัวเองนะในการปรับตัวเข้ากบบชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งการปฏิบัติที่นี่เพราะว่าสถานที่ทั้งบรรยากาศแล้วก็การปฏิบัติที่นี่มันแตกต่างจากาบ้าน หรือว่าที่ที่เราคุ้นเคยนะซึ่งก็รวมถึงชีวิตการทำงานของพวกเราด้วยอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานชีวิตมันเร่งรีบแต่ขณะเดียวกันก็นกมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ก็ามากระทบในแง่นหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความเหนื่อยล้าเกิดความคุ่นเคือง จิตไม่สงบแต่ในแง่หนึ่งมันก็ทำให้เราเพลินเนี่ยเหมือนกันนะเพลินเวลาของเราแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปเร็วเวลาอยู่ที่ทำงานในกรุงเทพมันมีอะไรต่ออะไรประดังประเดยเข้ามากว่าจะรู้ตัวก็หมดวันไปแล้ว แต่ที่นี่เนี่ยเราคนที่มาใหม่ๆจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอย่างชื่องช้ามากนะครทั้งที่เรามาที่นี่ก็หวังความสงบแต่ว่ามาใหม่ๆวันแรกเนี่ยจิตมันอาจจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ไม่ใช่เพราะว่ามีเสียงดังมารบ ก, กวนไม่ใช่เพราะว่า มีเรื่องกระทบใจให้ว้าวุ่นนะแต่เป็นเพราะว่ามันมันว่างเปล่าเกินไปมันไม่มีอะไรไม่มีอารมณ์ใหม่ๆให้เสพนะแทนที่จะสงบก็อาจจะเกิดรู้ความรู้สึกเบื่อนะหรือว่างอยนะ อันนี้มันเป็นธรรมดาเนะี่ยใครที่ปลีกตัวเด็กเล่นจา ก, จากชีวิตวุ่นวายในเมืองพอมาอยู่ป่าเนี่ยถ้าไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มาแคมปิ้งนะไม่ได้มาตั้งวงคุยกันเนี่ยแต่ว่ามาอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความอ้างว้างความเบื่อ มาใหม่ๆนะอาจจะสักสม่มงแรกก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันมีอะไรให้หน้าน่าดูจิตยังรู้สึกตื่นเต้นกับสถานที่ที่แปลกใหม่แต่พอเริ่มคุ้นเคยกับมันแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ๆให้เจอให้เห็นให้สัมผัสนะไม่มีการพูดคุยนะไม่มีการเอ ไม่มีข่าวสารข้อมูลให้ได้เสรจเนี่ยนะจิตมันก็จะเริ่มนะเริ่มรู้สึกเบื่อธรรมชาติของจิตเราเนี่ยนะโดยเพราะการที่ได้ไปใช้ชีวิต อ, อยู่ในเมืองเนี่ยมันจะเกิอดอาการเสรจติดนะ เป็นอาการเสพติดชนิดหนึ่งนะคือเสพติดนะผัสสะเสพติดอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามานาทีแล้วนาทีเล่านะบางทีผ่านเข้ามานะเกือบอทุกวินาทีเลยในแง่นี้มันก็ทำให้จิตเหนื่อยล้านะการที่ต้องเสพรับอารมณ์ใหม่ๆที่ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ในอีกด้านนึ้งมันทำให้จิตเนี่ยคุ้นเคยกับอารมณ์ใหม่ๆและพอไม่ได้เสรนะไม่ได้เจอเนี่ยมันจะรู้สึกงงงวยนะหรือว่ารู้สึกว่าแปลกแยกหรือว่าจะเคร่งครวญอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเรานะ ในวันแรกๆโดยเพราะเมื่อตั้งใจมาเพื่อปฏิบัตินะหลายคนที่ไม่คุ้นก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายนะไอความเบื่อนี่ก็ทาให้คนเรากระสับกระส่ายได้แต่ว่าถ้าเราให้เวลากับจิตใจเราสักหน่อยนะมันจะปรับตัวได้หม่ๆความเบื่อก็ําใทให้ง่วงนะเพราะว่าเราคุค้เนะ เ, คเคยกับสิ่งเราเราคุ้นเคยกับสิ่งเ้าเราเนะ ถึงเรื่องนี้มันไม่ใช่ค่เสียงอย่างเดียวนะอาจจะมายถึงรูปหรือภาพที่เราเห็นอาจจะมายถึงข้อมูลข่าวสารที่ประดังประเดยเข้ามาผ่านเครื่องมือสื่อสารของเราสมัยก่อนมันเป็นแค่หนังสือตัวหนังสือที่นิ่นงๆนะตัวหนังสือมันนิ่งนะแต่เดนนี้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวทางโทรศัพท์มือถือทางคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ เสปติดกับความเคลื่อนไหวของของรูปแล้วก็เสียงนะที่หลั่งไหลประดังประเดเข้ามาคนเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเาไว้ให้ดูภาพ น, นิ่งๆสักสักสิบวินาทีมก็เบื่อแล้วนั้นจะสังเกตว่าภาพในจอโทรทัศน์จะเป็นโฆษณาเป็นละครทีวี หรือว่าคลิปวิดีโอนี่เดี๋ยวนี้หายากภาพที่มันจะแช่นิ่งรักสามวินาทีขนาดคนพูดจาสนทนากันนะ่อต้องตัดภาพภายในเวลาไม่เกินห้าวินาทีต้องปัดตัดนะเพราะมันงั้นคนจะเบื่อคนอยี๋นี้เบื่อง่ายแล้วเราก็ไปซึมซับรับเอาเอานิสัยนี่มาโดยที่ไม่รู้ตัวนะ ในด้านหนึ่งเนี่ยชีวิตที่ในกรุงเทพมันมันวุ่นวายก็จริงจนอยากจะให้เราจนเราอยากจะหนีออกมาแต่ว่าในแง่หนึ่งพอออกมาแล้วเราก็ยังโหยหานะเพราะว่าเราอยากเสพอยากรับอารมณ์ใหม่ๆนะที่จะคอยกระตุ้นจิตกระตุ้นใจให้มันตื่นเต้นนะมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่า รสชาติความตื่นเต้นของมันก็ทำให้เราทิ้งมันไปลำบากแต่ก็ต้องตัดใจนะมันก็ต้องการมานี่อาจจะเหมือนกับ ก, การหักดิบก็ได้นะคนที่ติดกาแฟติดติดเล่าติดบุหรี่นะแม้รู้ว่ามันเป็นโทษต่อร่างกายนะเป็นอาจจะเป็นอันตรายต่อจิตใจนะแต่ว่า ก็เลิกมันไม่ได้ใจก็อยากจะเลิกใจหนึ่งก็อยากจะเลิกแต่ใจหนึ่งก็ยังยังโหยหาไอ้ภาษาใหม่ๆที่รุมเร้านะหรือว่าประดังประเดขเข้ามาในชื่อของเราก็เหมือนกันนะในเนี้ยใจหนึ่งเราก็ไม่ชอบนะมันมันบุ่นวายกระทึกนะแต่ใจหนึ่งก็ ก็ขามมันไม่ได้เหมือนกันพอห่างมันไปแล้วก็โหยหาหลายคนเนี่ยพอมาอยู่วัดเนี่ยรู้สึกมันมันเงียบไปจนนอนไม่หลับนไอ้ตอนอยู่บ้านก็าสึกว่าเสียงดังกระทึกจนนอนไม่หลับแต่พอมาเจอที่เงียบนะมันก็เกิดอาการอย่างเดียวกันก็คือวันนอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงนั้นมาที่นี่เนี่ยก็ก็ต้องทําใจเตรียมใจรับเนี่ยกับความความเบื่อ แล้วก็จะรวมถึงความง่วงที่มันจะตามมาเพราะว่าจิตเนี่ยพอมไม่มันไม่มีอะไรมากระตุ้นไม่มีอะไรมาเร้าเนี่ยมันก็จะเริ่มง่วงซึมจิตของคนเมืองเนี่ยมันถูกกระตุ้นเร้ามากนะถูกกระตุ้นเร้าตลอดเวลาเกิดทุกวินาทีทุกสามวินาทีทุกห้าวินาทีมันก็เลยตื่นตัวได้แต่พอไม่มีสิ่งเร้ามากระตุ้นเนี่ยมันก็จะหง่อย เมื่อคนที่ตื่นพอลิ ก, กาแฟเนี่ยพอไม่ได้เสษกาแฟมันก็จะมาง่วงแต่นั่นก็คือธรรมดานะถ้าเราต้องการที่จะจะเป็นอิสระจากมันนะไม่เสรติดมันเนี่ยเราก็ต้องยอมที่จะเจอกับอาการแบบนีนะ้เวลามาวัดแล้วก็มาปฏิบัติแล้วมันมีความรู้สึกง่วงเบือ่อนะ อ้างวา้างรู้สึกว่าหงอยเหงาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามองด ง, ง่ายหนึ่งแมันก็เรียกว่าเป็นภาวะลงแดงแบบหนึ่งเหมือนกันนะลงแดงแต่ไม่ใช่ลงแดงเพราะเลิกเล่าเลิกบุหรี่จะลงแดงเพราะว่าขาดพัฒนาที่เคยที่เค ย, ท, เคยที่เคยเสพติดเป็นประจําแต่ต้องยอมนะต้องยอมต้องยอมเจอภาวะลงแดงสักพักนะการเสพติด บ, บางอย่างต้องผ่าน เพราะว่าลงแดงที่นานหน่อยติดยาติดเหล้าติดบุหรี่นะอันนี้ต้องใช้เวลานานกว่าจะผ่านเพราะว่าลงแดงไปได้แต่ว่าอย่างการเสพติดของคนเมืองหรือว่าเสพติดภาษานี่มันใช้เวลาไม่นานในการที่จะผ่านไปได้สามวันสี่วันนะวันแรกวันที่สองที่สามรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อย อาจจะสบายเนื้อสบายตัวแต่ใจยังยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่พอเริ่มมาที่สี่แล้วก็จะเริ่มเริ่มปรับตัวได้แล้วก็ถ้าอยู่ไปอีกหน่อยก็จะเริ่มชอบนะเพราะว่าตอนนั้นแหละจิตก็จะเริ่มที่จะสัมผัสกับความสงบนะพอจิตเริ่มสัมผัสความสงบเนี่ยก็จะ ก็จะมีความพอใจมีความสุขหลายคนเนี่ยพอได้สัมผัสกับความสงบ mm. ก็จะรู้ว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เราแสวงหามานานไอตอนที่ยังไม่เจอไม่สัมผัสนี่ก็อาจจะไม่รู้สึกนะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการถึงแต่ว่าที่มานี่ก็เพราะว่ามันวุ่นวายเหลือเกินแต่ว่าความสงบอย่างไหนที่เราต้องการก็อาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจแต่พอได้เจอความสงบ ดยเพราะหลังจากที่จิตใจเระปรับตัวได้เนี่ยก็จะเริ่มชอบคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรนะจนกว่าจะได้เจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนั้นด้วยด้วยตัวเองอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องที่เป็นความละเอียดแกร่งนี่เช่นความสงบเท่านั้นนะแม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนว่าน่าจะรู้กันดียกอย่างเช่น เขาพบว่าผู <át> <cuanto> <re> ้คนส่วนใหญ่เนี่ยที่หาคู่เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะอาจจะคิดว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการคนแบบนั้นมาเป็นคู่ครองใครๆก็มักจะเชื่อตัวเองเนี่ยรู้ว่าต้องการคนแบบนั้นเป็นคู่ครองถามว่าต้องการคนแบบไหนก็จะเขียนได้ว่าเนี่ยอยากได้คนแบบนี้มาเป็นแฟน หน้าตาแบบนี้นะรูปร่างแบบนี้อาจจะลมถึงมีศาสนามีนิสัยแบบนี้แต่ว่าพอเจอใครบางคนซึ่งแม้จะไม่ได้มีสเปคอย่างที่ว่ามันเนี่ยก็กลับหลงรักหรือหลงชอบหรือว่าสนใจติดต่ออันนี้มันเป็นข้อสรุปที่ ก็เรียกว่าบริการหาคู่ออนไลน์เนี่ยเขาพบนะคือเดี๋ยวนี้คนคนฝรั่งเนี่ยมันคบได้แฟนได้คู่ครองเนี่ยผ่านบริการออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ได้พบในที่ทํางานนะไม่ได้พบจากการแนะนําของพ่อแม่หรือว่าการแนะนำของเพือเ่อนเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยได้ได้แฟนนะจากจากการใช้บริการ หาคู่ทางออนไลน์แล้ววิธีการหาคู่ทางออนไลน์ก็ททำงานก็ให้กรอกว่าต้องการคนแบบไหนนะหน้าตาเป็นอย่างไรอายุเท่าไหร่ส่วนสูงแค่ไหนผิวดำแดงหรือเปล่าเนี่ยศาสนาด้วยนะและบริการออนไลน์นี่ก็พยายามที่จะแมชพยายามจับคู่นะให้เข้ากับความต้องการที่ระบุเอาไว้แต่เอาไปจริงเนี่ยเขาพบว่าคนที่ ได้คู่เนี่ยจากบริการออนไลน์เนี่ยให้คนที่คบเป็นแฟนเนี่ยหรือว่าเป็นนัดนัดนัดเจอกันแล้วก็คบกันต่อมาเนี่ยสเปกกี่มันต่างอยู่ที่พันธ น, นาไว้เลยไอ้ที่ระบุไว้เนี่ยนะปรากฏว่าไม่ตรงนะตัวคนที่เต้นคบเนี่ยไม่ตรงกับที่ได้ระบุในเป็นสเปคเอาไว้มันเป็นงี้มากทีเดียวเขาก็เลยสรุปว่าเนี่ยจริงๆแล้วคนเราเนี่ยแม้กระทั่งว่า แม้กระทั่งคิดว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองอยากได้ใครเป็นแฟนเนี่ยจริงๆก็ไม่รู้หรอกนะมารู้ก็ ต, ak, <S <S 1> <S 1> ต่อไม่ได้เจอคนจริงๆแล้วก็รูโอ้นี่ใช่นะนี่ขนาดเรื่องที่มันเป็นเรื่องอยู่ในความสนใจงผู้คนนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นรู ป, ปธ ร, รรมมากน่าประทายอะไรๆก็เรื่องที่มันเป็นเรื่องละเอียดเรื่องละเอียดอ่อนประ น, น s <S ีใช่เรื่องความสงบหลายคนที่ไม่เจอความสงบก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือว่าตัวเองปรารถนาแต่พอได้เจอแล้วก็เจอแล้ว่านี่แหละใช่ แลวตรงนี้ก็ทำให้เกิดฉันทะในการที่จะฝึกใจให้ให้สัมพัยกับความสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อพวกเรามาที่นี่ใหม่ๆทีแรกเนี่ยวันแรกวันสองวันแรกเนี่ยนะก็ก็ให้รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะความรู้สึกเบือ่อความรู้สึกเพล้งความรู้สึกหงอยเหงาจิตรู้สึกไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ บางทีเวลาเวลาเดินนี่ก็เหมือนกับว่าไม่มีชีวิชีวาเหมือนกับเพิ่งตื่นนอนหรือบางทีคนอาจจะรอดเป็นซอมบี้เนีน่ยนะนี้ให้คิดว่าเป็นธรรมดานะเดี๋ยวพอรักษาสี่วันก็จะจะเริ่มปรับตัวได้ร่างกายจิตใจขอเราเนี่ยมันมันปรับตัวได้ถ้าให้เวลาสักสองสาวันเป็นอย่างน้อย คนที่อดอาหารเนี่ยอดอดอาหารเนี่ยเช่นอดอมื้อเย็นเนี่ยถ้าไม่เคยเลยเนี่ยสองสาวันแรกนี่จะรู้สึกว่ามันมันหิวแต่พอวันที่สามวันที่สี่จะรู้สึกดีขึ้นหรือแม้แต่คนที่อดอาหารตลอดอดอาหารทั้งวันเลยเนี่ยพวดีท็อกเนี่ยจะรู้สึกทรมานมากในช่วงสองสาวันแรกเนี่ยเมื่อไม่กินอะไรเลยแต่พอวันที่สามวันที่สี่จะเริ่มดีขึ้นคนที่เดินธรรมยราเนี่ย ถ้ไม่เคยเลยเนี่ยสอนสมาวิแล้วก็จะบน่นโอ้ยมันร้อนมันไกลมันเหนื่อยนะแต่พอเริ่มมาที่สี่เริ่มจะเข้าที่เข้าทางวันที่ห้าเริ่มสนุกและ ว, วันที่พอถึงวันที่แปดก็จะรู้สึกเสียดายว่าไมมันเลิกเร็วแบบนี้นะอยากอยู่ต่อนะแล้วต้องให้เวลานะให้ให้เวลาและให้โอกาสกับร่างกายจิตใจในการปรับตัวให้ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะความเบื่อที่ยินความเบื่อเนี่ยมันมีข้อดีนะ เมื่อใดก็ตามที่เราเบื่อมันแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยราบรื่นอในระดับหนึ่งราบรื่นจย่าการเป็นราบเรียบไปถ้าว่าเราเกิดมีคนด่าเราเนี่ยเราจะเบือ่อไหมเราไม่เดือดเราไม่เบือ่อเราโปรดนะถ้าของเราหายนี่เราเบือ่อไหมไม่ไม่เบื่อนะเราเสียใจเสียดายนะถ้าคนรักของเราเนี่ยเกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยเราเบือ่อไหมเราไม่เบื่อนะเรากังวล ถ้าลองเลือกถ้าเรามันดึก ด, ดูนะั้นระหว่างความเบื่อความกับความโกรธความเสียใจความเสียดายความห่วงกังวลเนี่ยถ้าเราเลือกนี่เราคิดว่าเราจะเลือกอะไรนะถ้าไม่ตมาเนีเลือกความเบื่อดีกว่านะเพราะว่ามันมันมันเบาน้อยที่สุดนะแล้วมันไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็เพียงแต่ว่าเดี๋ยวรอไปสักพักเดี๋ยวก็หายนะแต่ความโกรธนี่นะี่ยมัน มันทำให้นอนไม่หลับได้มันทำให้ความดันขึ้นไอ้ความเศร้าเสียใจก็ไอ้าทาให้เกิดความซึมเศร้าได้แล้วก็มันมันก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้กันต่อไปนะคือป่วยแล้วก็ต้องรักษาถึงไม่ใช่เราป่วยเองเราก็ต้องไปช่วยเขาเยียวยาหรือว่าถ้าโกรธก็อาจจะคิดหาทางแก้แค้นตอบโต้นะมันมีอะไรที่มันมีอะไรที่ต้องตามมาอีกเยอะนะถ้าเกิดอารมณ์อย่างอื่นนะแต่ว่าความเบื่อนี่มัน มันมาแล้วก็จะมันก็ผ่านไปในการปฏิบัติที่นี่เนี่ยให้เราให้เราให้เราเรียนรู้นะเที่ยวอยู่กับตัวเองให้ไดนะ้การอยู่กับตัวเองเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเรียกว่าทั้งชื่อก็ได้คือเป็นการหนีตัวเองนะโดยไม่รู้ตัวนะโดยไม่รู้ตัวหนีตัวเองแต่ว่ามัน เราทำเหมืองนั้นโดยไม่รู้ตัวจะเป็นนิสัยถ้าอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายเพราะอะไรนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันไม่มีอารมณ์ใหม่ๆให้เสดอย่างที่ว่าหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพออยู่กับตัวเองเนี่ยจิตใจมันจะว้าวุ่นมันจะเป็นความรู้สึกตรงเข้าขความเบื่อนะ เบื่อนี่ยติดใจมันจะเฉยเนือยแต่พออารมณ์อีกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือจิตใจว้าวุ่นเพราะาพอเราอยู่กับตัวเองเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรเนี่ยใจเนี่ยมันจะต้องเริ่มละเริ่มที่จะดิ้นหล่นแสสายเพื่อหาโน่นทํานี่หรือไม่ก็หาเรื่องคิดนคือจิตไม่ต้องทํางานอ่ะธรรมชาติของจิตเราเนี่ยมันต้องทํางานแล้วเราถ้าถ้าเราไม่รู้จักหางานดีๆให้มันทำมันก็จะไปหางานจะไปทํางานที่มันสร้างความเพลิดกับเรา เช่นไปนึกถึงอดีตที่เจ็บปวดนะที่ชวนให้เศร้าโศกเสียใจไปกดคุ้ยเรื่องไม่ดีที่เราเคยทําไว้นะกับเพื่อนกับคนรักนะหรือไม่ก็ไปคิดถึงเรื่องที่ชวนให้โกรธชวนให้วิตกกังวลนะจิตมันจะคอยไปขุดคุยเอาความทุกเนี่ยมาหรือไปหาเรื่องมาเล่นงานจิตใจ เพราะว่าเช่นนี้จะเกิดขึ้นเวลาเราไม่มีอะไรทําเวลาอยู่คนเดียวนะไม่เหมือนกับเวลาเราทำโน่นทนํานี่จิตมันก็ไปไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แทนมันก็อาจจะลืมเรื่องต่างๆชั่วคราวนะจิตมันพอทำโน่นทนํานี่พอมีงานทําแล้วมันก็ไม่ไปขุดคุยเอาเรื่องที่ไม่สบายใจมาเล่นงานจิตใจนั่นเขาถึงบอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเนี่ย อยู่คนนี้ระวังความคิดเพราะว่ามันฟุ้งซ่างนง่ายๆนะโดยเพราะคนที่ไม่ได้ฝึกจิตไว้เลยเนี่ยหรือว่าไม่รู้จักควบคุมจิตเนี่ยจิตมันจะฟุ้งนะและจิตที่ฟุ้งซ่านนี่มันก็จะทําให้เราเป็นทุกขนะ์หลายคนจึงทนอยู่กับตัวไม่ได้เนะยก็ต้องพยายามที่จะทำโน่นทำนี่ไปนะถ้าไม่มีอะไรทำก็ไปเที่ยวนะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นี่ ไม่ต้องไปเจอใครก็ได้ไม่ต้องไปคุกเขีกัใครก็ได้แค่มีโทรศัพท์มือถือก็ทําให้สามารถจะทําให้จิตเนี่ยมีของเล่นไปได้เรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่จิตมันเล่นเนี่ยบางทีมันมันไม่ใช่เล่นสนุกสนุกเดียวมันพาความโกรธความหงุดหงิดความารังคันใจมาให้ไปไปเปิดดูข้อมูลขา่าวสารไปดูเฟซบุ๊กก็ ม, มีเรื่องที่ทําให้ กดหัวทำให้โกโมโหทำให้หุดหงิดทำให้ลำคาทั้งที่อารมณ์รุ่งพรานเพราะเ c e บุ๊ k เพราะว่าอินเทอร์เน็ตแต่ว่าหลายคนก็ติดมันไปแล้วนะรู้ว่าทุกแต่ว่าก็เลิกมันไม่ได้ตื่นขึ้นมาอย่างแรกที่ทำหรือว่าสิ่งหนึ่งที่ทำภายในเวลาสิบห้านานะทีคือเปิดโทรศัพท์ดูข้อความในชะ่มเจ็สิบแปดสิเปอร์เซ็นี่เป็นอย่างนี้นะทั้งที่ดูแลเนี่ยเออถ้าเปิดข้อความ ธรรมะนะว่าเออเพื่อนส่งธรรมะอะไรมาก็ยังพอค่อยช่วยนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดเพื่อเปิดโทรทัศน์เพื่อดูข้อความธรรมะนะหรือว่าเพื่อเปิดเอ็ีสามฟังพระเทศนะไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เปิดสิ่งที่รับรู้มาบ่อยครั้งมันทําให้คุณเครื่องทําให้หงุนงิดนะทั้งที่ตอนเช้าควรเป็นเวลาที่เราจะเปิดรับสิ่งดีๆที่ทําให้จิตใจสดชื่นแจ่มใส เหมือนดอกบัวที่สิ่งแรกที่รับในรุ่งอรุณก็คือแสงที่ทำให้มันบานเราควรจะเปิดรับเปิดใจรับนะสิ่งที่ทำให้จิตมีความสุขชืช่เนเบิกบานในวินาทีแรกๆที่ตื่นขึ้นมาเช่นการทำความรู้สึกตัวหรือการทำสมาธิการเติมสติให้แก่จิตใจของเรา แต่ถ้าเราไม่ไม่ทาแบบนี้หรือว่าไม่ได้ฝึกใจไว้เลยเนี่ยมันก็จะก็จะกลายเป็นการไปจับฉวยเอาเอาขยะอารมณ์ต่างๆที่ผู้คนสาดใส่กันทาง Facebook สาดใส่กันทางทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเอามาไว้ในใจเราสุดสุดท้ายก็แทนที่จะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยใจที่สดชื่นบางๆก็กลายเป็นใจที่เศร้า เศร้าปดหูหงุดหงิดนะแต่ว่ามาที่นี่ก็คงจะเรื่องกิจวัตรวันนี้คงจะหมดไปได้เพราะว่าสัญญาณไม่มีใช่ไหมมันที่นี่เรากิจวัตรอย่างแรกที่ควรจะทำนะหรือว่าทำโดยเรืยเรียบไม่ได้คือคือการทำวัดเช้านะมาสวดมนต์อันนั้นก็ทำได้ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นกิจวัตร แล้วก็ทํำด้วยกันแต่สิ่งที่มัญญาคือว่าตอนที่เรามาอยู่คนเดียวนะมาปฏิบัติมาเจริญสตินะไม่ว่าจะทำด้วยวิธีการใดก็แล้วแตนะ่จะต้องมีความตั้งมัน่นจะต้องมีความตั้งใจมัน่นะมันจะจิตมันจะฟุ้งอย่างไรนะให้รู้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะจิตมันจะเบื่ออย่างไรก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา อยมามองว่าเป็นปัญหานะไอ้ความเบื่อเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่อยู่กับความเบื่อให้ได้ใน่ท่านองเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับความฟุ้งซ่านให้ได้หลายคนพอมาพอมาเจริญสติทำสมาธิทําได้ห้านาทีก็เลิกทําแล้วเพราะบอกว่าฟุ้งซ่านมากทําได้ไม่นานทําได้ไม่กี่วันก็เลิกบอกบว่าถามว่าทําไมบอกฟุ้งซ่าน ที่ยิ่งฟุ้งซ่านนี่เรื่องธรรมดานะใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแหละไปถามเทระมะท่านก็เคยยอมก็ยอมรับว่าจิตอาสมา ก, ก็ฟุ้งซ่านเหมือนกันใครว่าจิตสงบนะแต่ว่าการปฏิบัตินเนี่ยมันทําให้เราอยู่กับมันได้อยู่กับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อยู่ได้โดยที่ไม่ยึดนะออารมณ์เนี่ยถ้ามันปัญหา ม, มันไม่ได้ที่ว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นกับใจเราแต่อยู่ที่ว่าเราทํากับมันอย่างไรความโกรธวถ้าเราเห็นมันนะไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเราไปยึดมันเข้าเนี่ยเราทุกข์เลยความทุกข์เนี่ยความกลัวมันไม่สร้างปัญหากับเราถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้วิธีแล้วก็ไม่มีสติด้วยนะก็เลยไปยึดน หรือแม่ก็ไปผักสายความโกรธมันก็เลยเป็นผู้โกรธแทนที่จะเห็นความโกรธเป็นผู้โกรธแล้วคนทุกข์เพราะเหตุ น, นี้แหละเคยมีคนถามหลวงปู่ดูนนะหลวงปู่ดูลวตุโลโนะท่านเป็นปลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยแรกๆเลยก่อนลงตามหาบวยคนก็เชื่อว่าท่านเป็นภาริยะเป็นพระอรหันต์ก็มีลูกศิษย์คนนึงถามหลวงปู่มีความโกรธไหม เขาคงจะคิดว่าถ้าเป็นผ้าอรหันต์ก็ต้องตอบไม่มีต่านตอบว่ามีแต่ไม่เอามีความโกรธนี่ไม่ไทําให้ทุกข์นะไอ้ที่ทุกข์เพราะไปยึดไปเอานะแต่ถ้ามีแล้วไม่เอาเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะพอเมื่อไม่เอาเนี่ยมันก็มันก็เลือนมันก็ดับไปแต่ที่จริงความโกรก็เช่นเดีกับอารมณ์อื่นๆนะมันมีประโยชน์ เพราะว่าถ้ารู้จักมองรู้จักดูมันเนี่ยมันก็จะสอนสอนไตรักได้สอนไตรักได้ความปิติกับความโกรธเนี่ยมอในง่ยของสภาวธรรมแล้วเนี่ยมีค่าเหมือนกันนะก็คือสอนไตรักที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาความโกรธเท่านั้น น, ะนิวรณ์ตัวอื่นด้วย นิวร์นี่ก็คืออารมณ์ที่เป็น อ, อ ก, กุศลที่มันขัดขวางจิตไม่ให้เป็นสมาธิความโกรธก็อนหนึ่งหรือความหงุดหงิดลำคารใจที่ที่เรียกพยาบาท น, ะนิวร์มีห้าตัวตัวต่อมาคือการมาฉันทะนะก็คือกิเลสก็คือความโรคหรือว่าราคะซึ่งมันมีหลายระดับนะรวมไปถึงว่านึกถึงอาหารอร่อยนึกถึงขนมนึกถึงน้าอัดลมถึงกาแฟาที่ชอบอันนี้ก็ เป็นการมาฉันทะได้นะอยากฟังเพลงพ่อนึกถึงละครเนะี่ยหรือว่านึกถึงว่าพระบรมศาสดาต่อสุดท้ายนี่จะจบยังไงเนี่ยอยากดูเนี่ยนี่การมาฉันทะได้เลยเพราพราะดูเพรามันสนุกเนี่ยเมื่อวานนี้ขึ้นเครื่องบินรอรอรอคนที่สนามบินดอนเมืองนะก็มีพิธีกรคนนึ่งแกก็ นั่งดูดูโทรศสา์มือถืออะไรถามว่าก็ดูอะไรแกก็ยุ่งมากแล้วพรากว่าพอมีเสียงรอดมาก็รู้ว่าออมเป็นหนังเรื่องพระเบรมศาสดาเนะี่ยดูทางมือถือนะถ้าทางจะติดมากเลยขนาดอยู่วนันรอเครื่องบินที่ดอนเมืองก็ยังเอามาดูเลยนะนอกจา ก, กรรมฉันท์าแล้วก็มีความงุ่งงาเขานอนทินมิตระความฟุ้งซ่านลาคาญใจนะอุทจักขุกจจะ และความลองเลยสงสัยว่าวิธีนี้ถูกไหมหรือว่ากูมาทำอะไรวะที่นี่ไรเนี้ยไอพวกนี้ก็เรวเป็นวิกิจชาได้ซึ่งสำหรับคนที่ชอบความสงบจาไม่ชอบพวกนิวอารเหล่านี้เลยเพราะมันทำให้ใจไม่สงบแต่ว่าในทางวิปัสสนาแล้วเนี่ยนะรวมทั้งในการเจริญสติปัฏฐานด้วยเนี่ยไอของพวกนี้มีแลวดีเหมือนกันนะถ้ารู้จักใช้ เพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถจะพัฒนาการเจริญสติจากการเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตมาเป็นเห็นธรรมได้นสติปัฏฐานสี่มันมีอยู่สี่สี่สี่สี่สระดับสี่ด้านนะกายนุปัสนาคือเห็นกายหรือพิจารณากาย เวทนานุ ป, ปัสสนาก็คือรู้รู้เวทนาหรือเห็นเวทนาจิตตานุ ป, ปัสสนาคือว่ารู้จิตหรือว่าเห็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นนะส่วนข้อที่สุดก็สุดท้ายคือเห็นธรรมก็คือข้อแรกคือว่าเห็นว่านิวรณ์เนี่ยมันเกิดมาอย่างไรแล้วมันดับไปอย่างไรตอนที่เกิดก็รู้ตอนที่ดับก็รู้แล้วก็รู้ถึงขั้นว่ามันเกิด อะไรเป็นเหตุให้มันเกิดอะไรทำให้มันดับเนี่ยถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่ารู้ธรรมนะแล้วเราจะรู้ธรรมแบบนี้ได้ไงท่านนิวรไม่เกิดเราจะรู้จับเราจะเห็นได้เราจะรู้ได้ไงว่าขันห้าเช่นไม่ใช่ไม่ใช่แต่รูปเ่านั้นแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตน ความโกรธก็ไม่ใช่ตัวตนความเศร้าก็ไม่ใช่ตัวตนความเบื่อก็ไม่ใช่ตัวตนนะเราจะรู้ความจริงอย่างนี้ได้อย่างไรถ้ามันไม่เกิดมาให้เราเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการมีนิวันเป็นของดีนะเพราะว่ามันเป็นวัตถุดีที่จะทําให้เราเนี่ยเห็นธรรมในธรรมได้หรือว่าเข้าใจเข้าใจอ การเกิดและดับนะของอ า, อารมณ์เหล่านี้ได้รวมทั้งการเห็นทุกข์ด้วยนะรวมทั้งการเกิดทุกข์ด้วยนะเพราะว่าเห็นธรรมธรรมานุ ป, ปัสสนาข้อนึงก็คือการเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็มีทุกขส ม, มุทัยนิโรธมาเราจะเข้าใจเรื่องทุกข์ได้อย่งไรถ้าทุกข์ไม่เกิดให้เราเห็นอทุกข์ต้องเกิดก่อนเราถึงจะ ถึงจะรู้จักทุกนะแล้วก็เข้าใจจันแจในอริยสัจอีกสามข้อเนะพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ถือว่ามันเป็นของดีนะเมื่อมันเกิดขึ้นความโกรธความหงุดหงิดความเบื่อความเซ็งความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ขอให้เร า, ามีสเตจรู้ทันมันเรียกว่าเห็นมันนะ หลวงพ่อความเขียนนั่นใช่ว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นนะถ้าเห็นนันดีถูกต้องถ้าเป็นเนี่ยไม่ถูกนะความเครียดถ้าเห็นนี่ดีนะแต่ถ้าเป็นอันนี้ไม่ถูกแล้วนะงั้นเครียดนี่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราเห็นมันแต่ถ้าเราไปเป็นมันเมื่อไหร่เนี่ย น, นี่ผิดแล้วความฟุ้งซ่านเกิดขึ้น ไม่ใช่ปัญหาถ้าเราเห็นมันแต่มันเป็นปัญหาเพราะเราไปยึดเข้าไปเป็นมันเป็นผู้ฟุ้งซ่านเป็นผู้เครียดเป็นผู้โกรธแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยจะจะไม่เป็นแต่ว่าเห็นก็คงจะทําได้คงทาไม่ได้ง่ายๆ ให้เราฝึกมารู้กายก่อนฝึกให้รู้กายก่อนก็คือว่ากายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้จะตามจะหายใจจะยืนเดินนั่งนอนจะขยืนขยับนะจะเปลี่ยนท่านั่งก็ให้รู้นะรู้กายไปก่อนรวมทั้งเวลาใครที่ใช้วิธีการ ยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกลมเมื่อมันยกก็รู้นะรู้ว่าอะไรรู้ว่ายกแค่นั้นแหละนะเมื่อมันเดินก็รู้ว่าเดินเอาแค่นั้นแหละนะอันนี้มันเป็นเบื้องต้นเลยเริ่มต้นจากการรู้รู้กายก่อนกายทำอะไรใจก็รับรู้ว่ามันทำนะต่อไปเนี่ยพอใจมันคิดนึกอะไรนะ เราก็จะรู้ทันได้เหมือนกันนะแต่ตรงนี้แหละที่ทำให้เปลี่ยนจากการเป็นนะหรือเข้าไปเป็นเนี่ยมาเป็นเห็นไฟเนี่ยถ้าเราเห็นมันนะมันกองใหญ่แค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ทุกนะแต่ที่เราทุ ก, ก็เพราะอะไรเพราะโจรก็ไปในกองไฟโจรก็ไปแต่กองไฟเมื่ อ, อไหร่นี่ก็แย่เหมือนนั้นนะกองไฟเนี่ยก็เหมือนกับ โทสะนะถ้าเราถ้ามันถ้าเราเห็นมันเนี่ยมันเราไม่ทุกข์หรอกแต่เป็นเพราะเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกองไฟเป็นผู้โกรธเนี่ยมันถึงทุกข์นะให้ให้เห็นความแตกต่างนะว่าเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เพื่อเพื่อสกัดกันไม่ให้อารมณ์ใดๆเกิดขึ้นนะจะเอาแต่ความสงบอย่างเดียวนะไม่มีนิบรณมารบกวน ไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความหมุดหงิดไม่มีความเครียดจะไปตั้งจิตแบบนั้นจะไปตั้งความปรารถนาแบบนั้นเพราะยิ่งตั้งความอยากความปรารถนาแบบนั้นจะทุกข์มากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีทางไม่มีทางสกัดกันได้มันต้องมาเป็นธรรมาดาของมันเดียวกันในป่านี่ก็ต้องมียุงเนี่ยก็ต้องมี ung, งมแมลงจะไปตั้งความอยากว่าอย่าให้มียุงอย่าให้มีแมลงเนี่ยตั้งความอยากแบบนี้ก็ทุกข์เปล่า หน้าที่งเราคือว่าสิ่งที่ควรทําคือว่าเออจะอยู่กับมันได้อย่างไรนะมันมาก็ก็อย่าไปโกรธไปเกลียดมันนะก็แค่หลบแค่หลีกเท่านั้นเองมันมาตอมก็ปัดนะมนมาก่อ ก, ก็ขยับหรือถ้ามันจะกัดมันจะกินเลือดเราไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะ ให้ฝึกวันนี้แหละฝึกใจที่จะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ผักใสไอ้กระบวนการไอ้การยอมรับเนี่ยทำให้เราเค่ยค่อยเห็นมันไม่เป็น